เอหนองบัวแดงบ้านนางแดดนาแม่ปูข้เขียวอ่านหนังสือการชนะมาเลงมาให้หลวงตาอ่าน นี่ผู้อัยเนชะมะเลงมาได้แล้วมะเลงไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนอย่างที่คิดอะไรก็ตามในโลกนี้ถ้าเรามีความเชื่อมแข็งไม่วันไหว สิบัดทำรรเวลามันอ่อนแอทำไมเชืเช่อมแฉงขึ้นเวลามันหลงทำห้หมันลูกขึ้นมาเวลามันทุกข์ทำไมไม่ทุกข์ขึ้นมาเวลามันกลัวทำไมไม่กลัวขึ้นมาตรงกันข้าม เวลามันเกิดถ้าไมไม่เกิดเวลามันเจอะถ้าไมไม่เจเวลามันเจ็บไม่มีความเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเวลามันตายไม่มีใครตายมานจะเชื่อมแสงมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐฝึกได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้โดยเพราะด้านชีวิตจิตใจ อันอื่นจะเหมือนกันกับสัตว์ประเภทอื่นนีธาตุสีขันธ์หแต่ว่าทางจิตเนี่ยมันประเสริฐอยู่แบบปุตชลถ้าเราปุะหัตเป็นกัลยาณชนเป็นมนุษย์ เป็นเทวดาเป็นพระอินเป็นพระผมเป็นพระขึ้นมาถ้าเราพูกหันสูงสุดคือความเป็นพระเป็นพระก็เป็นได้ที่ใจก็ได้เป็นทางรูปแบบเป็นได้ที่ใจใครก็เป็นได้จะนุ่งผ้าสีใดห่มผ้าสีไหน ชาติใดภาษาใดลทัทธิใดเพศใดวยใดทุกหนใ ด, ดทั้งนั้นอย่าไปอ้างว่าหนุ่มอย่าไปอ้างว่าแกอยู่ที่การกระทําของแต่ละชีวิตของเราเองทุกคนมีสิทธิทําได้เราจึงต้องมาดูซิมาดู ีวิตของเราให้มันเหตุแจ้งตามความเป็นจริงจริงเดที่มันปิดเปิดออกจริงใดที่มันคว่วหมายขึ้นพระผุ้เจ้าแสดงว้ยหมดแล้วส่วนไหนเป็นส่วนที่ริ้วโง่งตัดเฉอนอกหมดแล้ว ลาเงาของอกุศลละมูลรากเงาของกุศลละมูลเป็นอย่างไรง่ายง่ายาเงาของอกุศลเกิดความไม่ดีมีความโลภความโกรธความหลงถ้ามีความโลง่งถ้ามีความหลงความโกรธความโลภอยู่อกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็ เ, เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเดินมากขึ้นรักเงา่าของกุศลมูลไม่มีมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนรักเงา่าของกุศลมูลคือความดีไม่มีความโกรธความโลภความหลงรื่องอัโทสะอโมหะอารมณ์ขะไม่มี กุศลเดินเที่งม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นแค่นี้เองกุศลก็ดีอกุศลก็ดีมันเป็นอารมณ์ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของคนไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่กําเนิด มันเกิดพ่อมีเหตุมีปัจจัยเรามาค่อยศึกษาก็เลยนึกว่าเราซะถ้าความโกรกนึกว่าเราถ้าความหลงก็นึกว่าเรามันไม่ใช่มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นถ้าเราทำไม่แจ้งซะมันก็ไม่มีอะไร กุศลเดินที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นด้วยอย่างนี้มันก็แยกกันตรงนี้อันหนึ่งเป็นฝ่ายดําอันหนึ่งเป็นฝ่ายขาวอกุศลเป็นฝ่ายดํามันมืดกุศลเป็นฝ่ายขาวมันสว่าง ถ้าเราโกรธมันก็มืดจำกันไม่ก็ได้เห็นผิดเป็นถูกด่ากันได้ฆ่ากันได้ทำผิดได้ไม่อาเพราะมันมืดจนกุศลนมันสว่างเห็นเห็นเห็นแจ้งงั้นเราเห็นกัน เห็นงูแล้วก็ไม่เข้าไปให้งูกัดเห็นน้ำก็ไม่ไปเหยียบหน้ำมันลู้จักหลบหลีกเพราะมันเห็นเชื่องคนที่ไม่เห็นมันก็เห็นงูเข้าไปให้งูกัดเช่นความโกรธก็พอใจที่โกรธมีคนดุดไปห้ามก็มายอม พอใจที่โกรธถนอมไว้ให้ความโกรธใส่ใจอยู่เสมอจนลืมไม่ลงนี่คือมันมืดมืดก็ทำให้เกิดทำผิดทาผิดเป็นถูกไปเราจึงต้องมารืนหูเรืนตามาดูมาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราให้เห็น ปฏิบัติทำเคอมาดูแลตัวเองอย่าปล่อยตัวเองทิ้งดูแลให้ดีเวลามันหลงก็รู้อะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็เห็นถ้าเราเป็นผู้ดูมันจะเห็น ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพิธีคือมาดูแลตัวเองมีสติเหมือนแต่มีดวงตาก็จะเห็นยิ่งเรามีจุดที่จะดูก็เห็นเห็นกายบางทีเรื่องที่ไม่ใช่กายก็เกิดให้เห็นได้เปลี่ยนมาเห็นกายต่อไปเห็นความ ทุกขเข็นความทุกข์เข็นความอะไรต่างๆล้วก็มีภาวะที่เห็นเท่านั้นเป็นหลักถ้าเห็นเราก็ไม่เป็นกับสิ่งอื่นไดก็ดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภยัยไม่มีภยัยแม้อนกับตาที่เราเห็นแล้วก็ปลอดภัยเพราะตาเห็น ตาในมันยิ่งปลอดภัยมากกว่านั้นเห็นกระทั่งนามธรรมมาชี้เห็นเป็นวัตถุเห็นอารมณ์เห็นความผิดเห็นดาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเห็นรูปธรรมที่มันเป็นดุ้นเป็นก้อนเห็นกายเห็นนามธรรมที่มันเป็นอารมณ์เห็นความผิดแล้วก็ ภพผุญญ์โนการดูแลชีวิตของเราให้ปวดไปคือเห็นทั้งสองอย่างเห็นกายเห็นเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้สัมผัสได้เห็นเป็นนามธรรมจับไปได้แต่มั่ก็เจ็บปวดเส้นวามโกรธเจ็บปวดเหมือนกันอาจจะเจ็บมากกว่าเหยียบหนามเจ็บใจ เจ็บ อ, อกคือเจ็บกลุก้เหมือนอผ้าผ่าเจ็บเจ็บบกไหมเจ็บบกเหมือนหน้าว่างไงพี่เพื่อนเหมือนไฟไหมเจ็บอกเหมือนไฟไหมเจ็บใจเหมือนผ้าผ่าโบราณท่านพูดอย่างนี้ เจ็บอกคือเจ็บลูกเหมือนไฟไหม้เจ็บใจเหงือนว่าผ่าเจียนตายเลยถ้าเราดูแลไม่ไม่มีอะไรที่ต้องเก็บว่ามันปลอดภัยไม่มีภัยชีวิตที่ไม่มีภัยเพราะดูเลยเหมือนโปพออะไร โโรอพอพอใช่ไหมแปลว่าะอะไรนะรปพอแปลว่าอะไรรักษาความปลอดภัยผู้รักษาความปลอดภัย ก็มีผู้รักษาความปลอดภัยเจ้าของบ้านก็นอนตาหลับกายของเราใจของเรานี่ก็เหมือนกันมีสติเป็นนายทะวานบานเข้าดูทะวานบานาา น, บา น, นายทะวานท้าวานเคอตาหูจมูกเลื่นกายใจ บาลบอยไม้สระอาลอเริงลอเริงบาลไม่ขึ้นรักษาโรงพยาบาลสันติบาลรัฐบาลจะรักษาความปลอดภัยเย็นเป็นสุขพมาถ้าวานบาลสติเป็นนายถ้าวานบาล ตู้พ่อดูรักษาทวารบาลคาือจิตนี้ถ้ารักษาดียอดเยี่ยมจนถึงมรกถึงผลก็ไม่มีการเกิดเจ็บเจ็บตายอันนายนายนายทวารบาโลโรงพยาบาลรัฐบาล น, นี่ยังมีการเกิดเจ็เจ็บตาย ส่วนสติรักษากายใจเนี่ยไม่มีการเกิดเจ็บเจบตายมันปลอดภัยปลอดภัยคือยังไงเห็นมันเจ็บเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์ไม่เป็นผู้เจ็บไม่เป็นผู้ร้อนไม่เป็นผู้หนาวเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวไม่เป็น มันเลยไม่เป็นอะไรกับเวลาอ่าน เ, เ, เห็นมันแสดงอะไรออกมาเห็นมันหมดเห็นครบเห็นท่วนไม่มีตรงไหนปิดประงอมพางได้ถ้ามีจิตใจหลอกตัวเองไม่ได้หลอกจะหลอกให้เราหลงไม่ได้จะหลอกให้เราทุกข์ไม่ได้อันที่เกิดกับกากับใจน่ะ ไม่มีตรงไหนหลอกได้ถ้าตัวเราหลอกตัวเราไม่ได้ม้จะไปหลอกคนอื่นได้ไง่กอนที่จะหลอกคนอื่นนะต้อหลอกตัวเราก่อนหลงไปก่อนถ้าหลอกแปลงไม่ได้เราก็นไม่ได้ทําชั่วไม่ได้ทำผิดไม่ได้จึงเป็น หวานถาหวานบานจนถึงมากถึงผลสติเบื้องต้นสติท่ามกลางสติเบื้องต้นคือรักษาศีลสติท่ามกลางศีลรักษาเราสติถึงที่สุดมีสติได้เลยอยู่เป็นองค์มรรคเป็นฌานอันสูงสุด เรียกว่าเวทยยตินิโรดในผู้พุทธองค์ตอนจะบปรินิพานพระนุรุทธะเป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์ฌานพระสององค์อื่นลูกอื่นเฝ้าอาภาธพระพุทธองค์อยู่นอนอยู่ระหว่างนางลางังทั้งคู่ สวนมันลักษั์กุจีนาราพระอนนปโพ่าจังขาติให้นอนพระสงฆ์ก็นั่งเฝ้าแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวนี้พูอตคงอยู่ตรงไหนอนุธะลำดับอยู่ตรงชานที่หนึ่งตอบไปไปอยู่ทานที่สองชานที่สาม ฌานที่สี่ฌานที่ 5, ห้าระหว่างหัวฌานที่สี่หัวฌานที่ห้าทตเจ้าปะนิพพานที่ตรงนี้ไม่ใช่ปะนิพพานที่คุศลาลนาระหว่างนางหลังทั้งคู่ปะนิพพานณนะที่องค์ฌานที่สี่องฌานที่ห้าต่อกันเรียกว่ามีสติแล้วเหลืออยู่ หเหนือการเคิเจเ จ, เจ็บตายตัวอยู่ในนี้แล้วพระเจ้าก็ปวัญนิพพานตรงนี้เรียกว่าปะนิพพานส่วนนิพพานมีมาตั้งแต่อายุ25ปีพระชนมายุ 35,000 าีจนเธออายุ8 0สิบปานิพพานแล้ว 45, สสิบาพรรษาจึงมาปะริินผานอยู่ที่ไหนอยู่ที่การถึกผลตนเดงสติไม่ใช่ของเล่นๆมีสติก็รับความชั่วมีสติก็ทำความดีมีสติกิจก็บริสุทธิ์มีสติก็เป็นมักมีสติก็เป็นผล มีอะไรเกิดขึ้นรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นพบเห็นชัดเกณฑแม่นยาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีผิดเห็นหลงเห็นรู้คู่กันกว่าเห็นทุกเห็นไม่ทุกเห็นความโกรธเห็นไม่โกรธมาพร้อมกันเหมือนสองอย่างมาพร้อมกันเลือกได้สิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูก อยู่ในที่เดียวกันมือหน้ามือกับหลังมืออยู่ในชีวิตของเราเป็นโสกอยู่แล้วเป็นโสกอยู่แล้วเป็นโสที่โจทย์เป็นโสที่แย่ไขเฉลยอันหนึ่งคือโจทย์อันหนึ่งเงฉลอยอันหนึ่งเป็นปัญหาอันหนึ่งเป็นปัญญาอยู่ในที่เดียวกัน มีปัญหาก็มีปัญญาถ้าไม่มีปัญหาไม่มีปัญญา่างที่เราได้เป็นผู้คงเจรยนเป็นปัญญาชนมาอยู่ที่นี่ก็มีปัญหาก็ได้ปัญญาเพราะปัญหาเหมือนกันทั้งนั้นแต่ปัญหาบางคนจะน้อยปัญหาบางคนจะมากถ้าพูดถึงความทุกข์ พวกท่านอาจจะเพื่อทุกมือเดียวหรือสองมือจะมาแข่งหลวงตราคงไม่มีใครแข่งได้ความทุกข์ถ้าเป็นรถรถมือสอ ง, งตัวหลวงตาเป็นรถมือสามมือสี่หรือเป็นรถมือสามมือสี่ไปแล้วเสีหายมากนะพวกท่านทั้งหลาย น, ะนั่งรถตู้ มากันได้สบายจากกรุงเทพจากภาคใต้ที่ไหนเราเนี่ยทุกต่อหลายอยา่างทุกจนหนงหน้าทุกใจหลายหลากหลายลดนะแค่นั้นเองอันนี้เลยไม่เป็นปัญญาของเรา ถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่ค่อยจะมีศรัทธาเมื่อมีทุกข์ก็หันมาทางออกไม่ต้องจนถ้ามันหลงอย่าไปจนถ้ามันโกรธอย่าไปจนถ้ามันทุกข์อย่าไปจนถ้ามันสุกก็อย่าไปจนไม่มีทางอยู่กรมทุกข์แต่แท้ก็ให้เราได้เกิดปัญญา ถ้าจะมีความทุกข์ที่ที่ชัดเจนคือยะสากุลบุตรยะสากุลบุตรเนี่ยเมืองสาวัตถีเนี่ยลูกชายเศรษฐีด้วยมีประสาทสามรูเหมือนพุทธเจ้าเหมือนเจ้าชายศิริธรรมทำไมพระองค์ไปเปิดปัญจวิชีเหิงเพลนเดินแปดสากุลบุตร ตะโกนลอกไหวจากพลาณศสีน้อประามาณหกกมที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้อเนาะทุกหลือเกินทุกหลือ เ, เกินเดือดร้อนแหล้วเกินร้องออกไปไปร้องอยู่หน้าอิสิปฏนาเมลึกใจวันตอนใกล้จะสว่างทุกเจ้ารงโกมอยู่ถ้ายิน ขาลับที่ไม่เดือดร้อนที่ไม่มีทุกข์ที่ไม่บุญวายมาที่นี่เถิดมาที่นี่เถิดได้จากกุบทเข้าไปนั่นจนได้เป็นพรลังหันเบาทุกข์ขาไปและเป็นความสุขก็เป็นอนุทะอนุทะเป็นกษัตริย์ เป็นลูกของโกโธธนะเป็นกษัตริย์ของลาดแทนพ่อแล้วให้พี่ชายแทนลาออกปวดตอบวดแล้วสุกสุกน้องสุกน้อนอนอยู่กลางคืนนะสุกน้อสุกน้อสุกน้อเกินสุกเหลือเกิน เดนพระสง์อยู่ใกล้ๆกันนึกว่าอนุธาเนี่ยบ้าระมังไปถามก็ไม่กล้าถามเลยไปกราบทูลพระเจ้าพระเจ้าจึงเรียกอนุธา่าทำไมเธอจึงล้อว่าสุขหนอสุกหนอเพราะเรื่องอนไนอนุทาก็กราบทูลพระเจ้าใ่ไหมก่อน อาพระ อ, องค์เป็นขษัตดคของบ้านของเมงืองนอนก็ไมเข้าใจเรคิดถึงปัจฉิพ้าประชาชนคิดถึงภัยจะเกิดขึ้นจะความอดยากลำบากของประชาชนชนนอนไม่หลับโตได้มาปฏิบัติธรรละมันสุขไม่ได้คิดเหมือนเมื่อก่อนมันก็พูดออกไปเอง ส, อสุขเนอะทุนเนาไม่อยากจะพูดแต่มันออกไปเอง โดยเจ้าก็เลยไปบอกเขาสมห้ายฟังว่าเออที่อนุธะพูดออกมาว่าสุหนอสุหนอเพราะเรื่องนี้ต่อไปเขาเขาจะจุดเปล่งดอกให้เป็นหลัก<า>สิ่งนี้เคยทุกข์แท้กลายเป็นควาไมไปทุกข์ตรงนี้อย่าให้พลาดโอกาสสิ่งที่ถงแท้ทำไมเราลูกขึ้นมา อาจจะได้ว่ารูร้ ธ, ธรรมผู้คมหลงอย่าปล่อยให้ควมหลงลอยนวลไปเฉยๆเอาประโยชน์จากมันเปลี่ยนร้ายเป็นดีเรียกว่าปฏิบัตริธรรมเนี่ยมาพิสูจน์กันดูเอาตัวชีวิตของเราพิสูจน์ลองดู อย่าปล่อยเิ่งเวลามันรูบรูบไปแต่เวลาใดที่มันหลงอะรูบไปรูบไปจะพื้ตือไปไปจะพื้ตะพือไ ป, ไ ป, ไปอ่ฤดูนี้เป็นฤดูที่ผู้ปฏิบัติธรรมัมนรู้ธรมากเสร็ไหม่ต้นพุทธการนับตั้แต่วันเปนย์นเดืนแปด เก้าส uh, ิบจดเดสิบสองเดนธนวาไปเนี่ยเดือนกกมพาไปเนี่ยเดินเพนเดือนแปดถึงเหมือนเพเดือนสามน่ะประมาณสี่เดือนสมัยต้นๆพุทธกาลมีคนมาลุ้นทำหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูกเดินเพนเดอนแปดถึงเปนเดินสามประมาณเจ็ดแปดเือนเนี่ยถ้าดูเนี่ย อยู่ก็ไม่โดดลอยอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากไม่เข่อสดมีพิษก็ไม่ไม่ออกอยู่ในรูในถ้า ง, งูก็ไม่เม่์แมลงก็ไม่มี์เราก็อยู่ได้สบายเหมาะใจกันปฏิปธรรมตามอปริวิเวกได้ในป่าในที่ไหนได้ ยิ่งสุกโตเวลาเน่คนน้อยยิ่งไม่ีโอกาสจะัีลงตาบวชใหม่ๆเป็นภาพผู้น้อยเพราะอาจารย์ออกจากพัะเป็นหมดเลยเราเป็นภาพผู้น้อยต้องขวดบางที่ก็อยู่คนเดียวกวดตาดไปกติหลังนั่นไปกติหลังนี้ดูแลทางเดินขวด ไปตามถนนหนทางทุกสายก็ว่าได้กติหลายหลังปวดไปหมดอยู่นึงไม่เป็นมันอยู่คนเดียวเปิดครวงพยันบางทีก็ไม่นอนนอนก็นอนกลางถนนหนทางเดินจงกงมเหนื่อยแล้วก็นอนทันทีไม่มีงูไม่มีตะขาบมีผ้ามีไฟฉายมี ผ้าผูบนอนมีผ้าหม่มมีกีบอเราเดินไปเดินไปกันถึงเวลามันเหนื่อยก็นอนลงก็หลับตื่นขึ้นมาก็เดินจะกลงไปไปทั่วเหมือนกับเรา โ, โลกนี่เราอยู่คนเดียวเหมือนกับโลกทั้งโลกเราก็อยู่คนเดียวสุดซึ้งหัวใจมากเยลาใดที่ยินเสียงรถจอดหน้าวัดเอ๊ะ บางทีก็มีพระลงรถก็เดินไปร้วพระเดินพะผู้น้อยกราบท่านให้น้ำดื่มให้ที่นัส่งท่านอยู่กติเราก็หนีไปไม่ไม่เกี่ยวอะไรกันว่าเพราะเป็นพระผู้น้อยไม่อยู่กับมสำคัญเลยนั่นแหละโอกาสจิ่งดี เพระุตัวไปกันหมดแล้วตอนฉินก็ไปแล้วเหลือแต่เราเหลือแต่เราน่นะอย่าไปอย่าไปว่าเวอะไรยิ่งดีใหญ่เหมือนผู้เจ้าสมัยออบปวนวัเจพิชีหนีจัดหลงอยู่ลมพังองเดียวนั่นหละโอกาสดีแล้วแต่ก่อนปัญจิบชีอยู่ล้วก็ อ่ น, นน้อ น, นอนี่อ่นอ่านี่อนวดแข้งนวดขาบีบทงนั้นบี บ, บงนี้ดูแล น, น้นดูแลนี่เอาปัญจคี น, นี่พระเจ้าลาพังพรเดียวนั่งอยู่สิพุทธกจายคนเดียวเท่ๆันแะ่อยู่กับหมู่เลยไกลัวอะไรลราไปเถอะ ไอ้โลกเนะี่ยตอนนี้ก็พูดให้ฟังต้องสารเจะาหลางกับพ่อพ้ อ, องกัน